Thank you. ที่จุลพลมีสามกิตห้าพระคาถาเอวังเจตาปุตโตพระมณังโพเชตวาตาไถยสัทธาย ะ, ะตัตตะมาุโนตุงพันเจวะตกักกะมิฆะสังหะสิญจั ทัตตวามักเเคท่เปตวาทารคนหัดถังกุกขิกตตวามหาสัจจสวะสโนกาสังอาจิกขันโตอาหาติณบัตนี้อาสมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงทศธรรมะเทศนาในเรันดอนชาดกจุลพลคันธที่หกสืบอนุ สนทิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาประสาธรความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดําเนินเนื้อความตามกระแวาระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทแต่เบื้องต้นนั้นแล้วว่าเจตปุตโตชูชโกโพเจตวาแปลความว่า รั้นพรานเจตบุตรให้พรามทูชกบริภโภคโภชนาหารแล้วก็ให้น้ำพึ่งกระบอกหนึ่งกับเนื้อสาย่างหนึ่งขาเพื่อเป็นเบียงในการเดินทางแล้วจึงเดินนำทางไปหยุดยืนที่ปากทางยกมือขวาขึ้นชี้บอกด้วยคาที่ท่านรจนาเป็นคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนากันนี้แล้วนั้นแปลความในคาถานั้นว่า ดูก่อนพรามณ์ที่แลเห็นข้างหน้านั้นเป็นภูเขาคันธมาศอันเป็นภูเขาศิลาแท่งทึกและเพราะมีความบริบูรณ์ด้วยต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจึงมีชื่อว่าภูเขาคันธมาศภูเขาคันธมาศนั้นเต็มไปด้วยไม้หอมแตกประราดสิบประการบางต้นก็มีรากหอมบางต้นก็มีเปลือกมีกิ่งก้านมีใบหอม บางต้นก็มีกระพีหอมมีผลหอมมีดอกหอมบรรดาต้นไม้ต่างๆที่มีกลิ่นหอมนั้นย่อมมีอยู่ในภูเขานั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภูเขานั้นจึงชื่อว่าคันธมากเป็นสถานที่ประทับแห่งพระเวสสันดรบรมกษัตริย์เจ้าคือพระเวสสันดรบรมกษัตริย์เจ้าพร้อมด้วยพนางมัตรีราชธนรยาและพระราชโอรสราชธิดาได้ทรงเพศิดเป็นดาบท บำเพ็ญพรสอยู่ทิดดูก็งามนักหนาโดยมุนพระเก้าเป็นเบตริมนทนชดาทรงภูษาหนังเสือเป็นอาภรณ์มีทะกรงทรงถือเสียมสําหรับขุดถั่วมันและขอสําหรับสอยลูกไม้พระองค์ทรงบริโภคแต่ผลไม้เป็นอาหารเวลาบรรทมได้บันทมอยู่บนพื้นปัตพีทรงบำเพ็ญทรสบูชาซึ่งไปอยู่ในที่นั้นท่านจงบ่ายหน้าไปทางทิดอุดร เดินเลียบไปตามเชิงสิงค์อนก็จะแลเห็นบรรณาราของพระองค์ที่สมเด็จอง์อัมรินราชาธิราชทรงประทานให้น่นเป็นหมู่ไม้เขียวชอุ่มล้วนแต่มีไม้ผลเป็นต้นต่างๆกันเห็นเขียวปากฏอยู่แลดูแตไ่ไกลเหมือนภูเขาดอกอันชันต้นไม้นั้นมีหลากหลายคือไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้เต่งรังไม้สะโค ไม้ย่านไทรไม้เหล่านี้ย่อมไหวไปมาด้วยลมพัดอุปมาเหมือนกับมานพหนุ่มน้อยซึ่งไม่เคยดื่มสุราเมื่อดื่มไปเพียงนิดหน่อยก็มีอันต้องส่วนเต ด, ด้วยลทธิสุรานั้นและเมื่อท่านไปถึงที่นั่นแล้วก็จะได้ฟังเสียงนกต่างๆร่ำร้องอยู่บนต้นไม้เป็นที่ไพเราะรื่อนรมใจเหมือนกับเสียงเพลงทิพนกนั้นก็มีชื่อหลายอย่างต่างชนิด เช่นนกโทรดกก็มีนกดูเห่าก็มากนกกระยางอยู่ตามยอดไม้เป็นฝูงฝูงซึ่งพากาัน ร, ร่ำร้องบินไปมาอยู่ตามต้นไม้ต่างๆทั้งจะได้ฟังเสียงต้นไม้เมื่อต้องลมพัดก็สะบัดกริ่งใจมาฟังดูสนอไถเระจับใจและคล้ายกับจะลวมเล้าเอาใจผู้คนที่เดินสัญจรไปมาให้หยุดพัดท่อนพระเวสสันดรเจ้ากับทั้งพระราชโอรสพระราชธิดา และพระอัคระมะเหสีซึ่งทรงเทศเป็นดาบทบำเพ็นพรทธนุ่งห่มหนังเสือสวนชดาทรงถือเสียมและขอสำหรับขุดหัวมันและสอยลูกไม้บรรทมอยู่บนแผ่นปัสพีไหวอักธีประทับอยู่ที่บนนารรณศาลาใดเมื่อท่านไปถึงบนนารรณศาลานั้นแล้วก็จะได้เห็นกระจักด้วยตนเองเมื่อพรานเจตบุตรจะพนานาบนนารรณศาลาที่อยู่ของพระเวสสันดรราชฤาษี ให้ยิ่งใหญ่กว่าที่พรนนานามาแล้วนั้นจึงกล่าวว่าถ้าแต่ท่านพราหมู้เป็นราชทูตจำทูลพระราชสารในบริเวณสถานแห่งบรรณสราอันเป็นที่ประทับอยู่ของสมเด็จเวสันดรผู้ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยพฤกษาชาติพัน์ต่างๆกันคือไม้มะม่วงมีกิ่งใบอันดกหนาไม้มะิดอันทรงพ ร, ราผลนานา ไม้ขนุนหนังสัมมาโรมีรถโอชาไม้รังอันมีใบดกกนาแต่สาขาที่บริบูรณ์ไปด้วยกิ่งไม้ว่าอันมีผลกระการตาไม้สมอพิเทศเครื่องสมุนไพรอีกทั้งสมอไทยเครื่องทำยาทั้งมะขามป้องมีทั้งผลใหญ่ดั้มหน้าทัศนามีต้นไม้ใหญ่อันได้นามว่าไม้ป่าเป้งโธธบายไม้พุทราหลายหลาก ล้วนมีรสหอมหวานหายากในที่ตึ่งเคยเห็นมามีทั้งไม้มาพับทองสีเรืองรองดังสุวรรณหน้าปรีดามีทั้งไม้ไซรัำต้นใหญ่ดกหนาหน้าเป็นที่พักของคนที่สัญจรไปมามีทั้งไม้มะสังสมบูรณ์ด้วยผลใหญ่น้อยล้วนรสโอชามีทั้งไม้องุ่นและไม้มาสางใบกระจ่างล้วนผลหวาน ดังป่านน้ำพึ่งหน้าพึ่งปราถนามีทั้งไม้มะเดือ่ออันมีผลสุกแดงเรื่อเหมือนแสงอาทิตย์ที่แรกกูไทยดูก่อนพรามนีม่ใช่แต่จะมีต้นไม้เหล่านี้ก็หาไม่ยังมีกล้วยอีกหลายอย่างต่างๆกันกล้วยหอมและกล้วยงาช้างกล้วยน้ำว้าและกล้วยติดซึ่งมีผลไม่รีบสุขหวานมีทั้งกล้วยเขาแพะ มีรสหวานผ่านน้ำตารหรือน้ำอ้อยมีรวงพึ่งอันห้อยย้อยอยู่ตามกิ่งไม้ปราจะจักแม่พึ่งที่หวงแหนไม่เหมือนรวงพึ่งอันมีในป่าที่เราเคยเห็นกันมาไม่ลำบากในการที่จะหาไฟจุดไล่แม่พึ่งแม้ถึงใจจะบริโภคแล้วก็เอื้อมมือขึ้นไปตัดลงมาได้โดยง่ายยังมีต้นมะม่วงอีกหลายอย่างบ้างผลิดผลมีดอกและใบร่วงรน ลงเปลี่ยนกลาดบ้างสุขบ้างดิตบ้างหามสีงามดังสีหลังกดอย่างหนึ่งซึ่งมีสีเหลืองประหลาดเรียกกันว่าเขียดตะปาดดาดดาดอยู่ใกล้บรรณสาราของพระฤาษีเมื่อผู้ใดปรารถนาจะเก็บผลของต้นก็อาจเอื้อมมือขึ้นไปเก็บผลมะม่วงได้ดังประสงค์ดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ในที่ใกล้บรรณสาราแห่งพระเวสสันดรผู้อบรมพระบารมีนั้น มีแต่อารมณ์อันเป็นที่ปลื้มใจเหมือนกับสวนนันทวันของเหล่าสวยเทพพ ย, ายดาในดาวเดงสวงสวรรค์มีใช่แต่เท่านั้นมีทั้งต้นตาลต้นมะพร้าวต้นอินทพะ ร, รมและต้นเต้งเกิดอยู่เรียงรายเหมือนกับพวงมาลัยที่นายมาราการร้อยปรองไว้อย่างดียอดต่อกล้นไม้เหล่านั้นแลดูเห็นปรากฏเหมือนธงชัย มีทั้งต้นไม้ที่มีดอกต่างๆกันมีไม้มูกมันอันเกิดเรียง ก, กันเป็นหมู่มีทั้งไม้โกดสคานอันตั้งอยู่เป็นทิวแถวดังแนวต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้มีทั้งต้นแคร่กอยนับด้วยพันตั้งอยู่เป็นหมู่หมู่กันน่าจะเดินตามีทั้งต้นบุญนาคน้อยใหญ่ซึ่งมีดอกหอมหวนยวนใจใคร่หน้าดม มีทั้งก้นท้องกาวอันมีดอกแดงเปล่าหากลิ่นพึงใจนม้ได้มีทั้งไม้ราชพฤกษ์และไม้พยอมขาวมีทั้งไม้มะเฟือและไม้กิจณามีทั้งไม้รักดำและไม้อุ้งไก่มีทั้งไม้กุ่มน้ำและกระดูลายมีทั้งไม้สนและไม้กระทุ่มไม้สะเคร์อีกทั้งไม้ตะแบกมีทั้งไม้รังล้วนมีดอกเป็นพุ่มพวง ดุดลอมฟางอย่างประหนึ่งว่าบุคคลจัดร้อยไว้เป็นกลุ่มฉะนั้นดูก่อนพราหม์ในที่ใกล้บรรณศาลาของพระเวสสันดรเจ้านั้นมีสะโบกขรณีมีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมอันเตรี่ยมไปด้วยอุทกวารีเย็นใสสะอาดดาราดาษไปด้วยปทุมชาติสามชนิดคือ ด, ดอกอุบลบัวขาวอุบลบัวเขียวอุบลบัวแดงจูเป็น ที่น่ารื่นรมร้ายกับสะโบกขรณีของสมเด็จเท้าโกศีเทวราชอันมีนามว่านันทนะโบกขรณีอยู่ในสวนนันทวันอุทยานแดนดินา้าคฟ้าสุราไรดูก่อนพรามผู้มุ่งหมายจักไปเฝ้าสมเด็จพระเวสสันดรเจ้าอันหนึ่งเล่าตามริมฟังโบกโบกขรณีย่อมมีสกุณนาโกกีลานกดวว่า อันจับอยู่บนต้นไม้เมารถดอกไม้แล้วพูดพร้อถ้ำด้วยเสียงอันไพเราะจับใจในพนมไพรนั้นกึกก้องอยู่ด้วยเสียงหมู่นกต่างๆฟังวังเวงสะเนาะจับใจเมื่อถึงเวลาดอกไม้ผลิดอกแก้มบานตามฤดูกาลย่อมมีโอชารสของดอกไม้ร่วงร่นจากเกสรตกลงค้างบนใบบัวแล้วเกิดเป็นขันทศกร คือเป็นเหมือนน้ำพึ่งที่อยู่บนใบบัวนั้นดูก่อนพราหมณ์ในทางทิศใต้และทิศตะวันตกแห่งบรรณสารานั้นย่อมมีลมลำเปยพัดอยู่หมู่ไม้อยู่เป็นนิดทําให้บรรณสาราแห่งบพิตเจ้าเกลื่อนกรลากไปด้วยละอองเกสปรปฐมชาติไม่ขาสายในสาบวกขรณีนั้นหนาท่านพราหมณ์ยังมีลูกกระจักใหญ่ๆ ห, หน้าใคร่กินและมีข้าวสาลีอ่อนแก่เปิดขึ้นเอง หาผู้ปลูกหวางนี้ได้ล้มดาดาดาดาอยู่ในหลังน้ําน้ําในสะโบกกรณีนั้นเป็นน้ําที่ใสสะอาดปราศจากมูลทินเมื่อแลลงไปก็เห็นกระทั่งพื้นดินมองเห็นฝูงสัตว์ที่เกิดในวารินเป็นต้นว่าบปลาและเต่าที่แหวกว่ายฉันจอนอยู่ไปมาอนนรากบัวในสะนั้นเล่าก็มีรสหวานคล้ายน้ําผึ้งและมีรสมัน ดังน้ำนมและเนยใสหรือเนอยข้นในป่านั้นมีของหอมต่างๆที่ลมพัดออกมาดูเหมือนว่าป่านั้นจะชวนคนที่ไปถึงให้ชื่นชมด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ซึ่มีกลิ่นหอมมีฝูงมแมลงผู้ที่ชมชื่นอยู่ด้วยกลิ่นดอกไม้ได้บินร่อนบรรเลือเสียงดังหึ่งๆอยู่โดยรอบในป่านั้นมีฝูงวิหกก่าวคือเป็นนก อันมีจำนวนมากต่า ง, งกันบ้างก็ร้องขางขนขันตอบรับกันและกันบ้างก็เข้าเพียงคู่ดูเฉยชมมีปูนกอีกสี่หมู่ซึ่งนิยมทำรังอยู่ใกล้กันที่สะโบกกรณีนั้นคือนกหมู่หนึ่งชื่อว่านกนันทิกาอันมีนกหักเสดลิงเป็นประธานนกหมู่นี้ย่อมร้องขางขนขันให้พระเวสสันดรเจ้า ทรงยินดีเนาสสาราญในสถานที่พระบรรณาสาราว่าข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าผู้ทรงอบรมทานบารมีขอพระองค์งทรงยินดีอยู่ในป่านี้เถิดนกหมู่ที่สองชื่อว่าชีวุปตาอันมีนกห่งเป็นประธานนกหมู่นี้ย่อมพากนร้องขานขั น, นถวายพระพรชัยแด่พระเวสสันดรเจ้าว่า ขอให้พระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสธิดาและพระอัครมเหสีจงมีพระชนมายุยืนนานสุขสาราญอยู่เถิดนกหมู่ที่สามมีชื่อว่าชีวปุตตาปิยาจโนอันมีนกยูงเป็นประธานนกุ่งนี้ย่อมร้องขานถวายพระพรชัยแด่พระเวสสันดรเจ้าผู้ทรงไว้ซึ้งพระบารมีว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระราชโอรสและทิดา และพระอัคร ม, มเหสีผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงทรงพระสําราญมีพระชนยืนนานไม่มีฆ่าศึกศัตรูและไม่มีพยันตรายทุกเมื่อเถิดนกหมู่ที่สี่มีชื่อว่าปิยาปุตตาปิยานันทาอันมีนกกาเรเวกเป็นประธานนกหมูนี้ย่อมขับขานถวายพระพรชัยแด่พระเวทสันดอนเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาว่า ขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาพระอัครมเหสีจงเป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยจงเป็นที่รักของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสีด้วยขอจงให้กษัตริย์ทั้งสี่มีความชื่นชมโสมนัสซึ่งกันและกันมีความเพื่อเพลินเจริญพระหฤทยปราศจากโรคภัยทุกเมื่อเถิดดอกไม้ทั้งหลายย่อมตั้งเรียงรายอยู่ในที่ใกล้บรรณสารา เหมือนอย่างว่าพวงมาลาที่บุคคลร้อยไว้มีกลิ่นหอมฟุ้งขจรกระจายไปมีทั้งต้นไม้อันมียอดปรากฏตุทงชัยมีดอกสลับสีต่างๆกันเหมือนนายช่างผู้ฉลาดมาเก็บร้อยไว้เป็นพวงพวงฉะนั้นพระเวสสันดรเจ้าพร้อมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสีได้ทรงเพ่ป็นดาบทผู้ทรงนุ่งห่มหนังเสือ และสวนชดาสรงถือเสียมสำหรับขุดหัวมันและขอสำหรับสอยลูกไม้บันทมบนพื้นปัตพีสงนมัส ก, การอัคชีบูชาไฟอยู่ในบรรณศาราใดเมื่อท่านไปถึงบรรณสารานั้นแล้วก็จะได้เห็นความสมบูรณ์แห่งบรรณสาาดังที่ข้าพเจ้าบอกมานี้ขอท่านตรงไปชมเล่นเป็นฝันตาเถิด ร้านพราญเจตบุตรได้ชี้แจงถึงสถานที่ประทับแห่งสมเด็จพระเวศสันดอนราชรุษีดังนี้แก่ชูชกแล้วฝ่ายชูชกก็แสนจะยินดีจึงมีปฏิสันถารปราศัยว่าบูก่อนเตียตบุตรหลานรักเึ่งการที่หลานได้ช่วยโปรดแนะแนวว่านารายให้แก่ลุงครั้งนี้ลุงรู้สึกขอบใจเจ้ามากหากลุงอยู่ในบุรีถึงซึ่งความสำลาแล้วหลานไม่ต้องทุกข์ร้อนด้วยเงินทอง ลุงจะกอบกองบำเหน็จให้นี่ตะคราวลุงมาตกไร้อยู่ในกลางดงคงมีแต่ตัวผู้เดียวเปลี่ยวอนาถกินไม่มีของตลาดที่จะแทนคุณหลานเมื่อคิดถึงการนี้แล้วก็อดสูใจแต่เอาเถิดของที่ลุงจะขอบใจเจ้ายังมีอยู่บ้างคือข้าวสตูอันละคนด้วยน้ำพึ่งและน้ำอ้อยที่นางอมิตาดาสาวน้อยตกแต่งให้แก่ลุงยังมีอยู่ ซึ่งลุงได้ใช้เป็นสเสบียงเดินทางเข้าในไพรอันกันดาลลุงจะแบ่งปันให้หลานตามภาษายากแต่พอเป็นของฝากเมื่อยามจนขอเจ้าจงทนรับไว้เถิดนายพรานเกตบุตรลุทธชาติจึงตอบพจนานของสู่ชกว่าถึงลุงจะไม่มีสิ่งใดรางวัลหลานก็ตามเถิดอันข้าวสัตรูผงสัตรูก้อนนี้ ขอลุงตรงเอาไปเป็นสเสบียงเดินทางเลี้ยงชีพในกลางไัยเพราะเหตุว่าหุนทางยังไกลอยู่ขอลุงตรงรับกระบอกน้ําพึ่งกับขาเนื้อสายย่างของหลานไปเป็นสเสบียงเดินทางด้วยเถิดขอลุงพรามจงไปตามสบายเถิดอันหุนทางข้างหน้าตรงมือชี้นี้เป็นทางเดินไปคนเดียวตรงลิ้วถึงบนนาารรณศาลาของอัจจุตฤศีซึ่งมีฟันขาว และมีตัวเปือกกล้วยได้วยปุ่นธุเรส่งเทศเป็นฤาษีอย่างสยเวทนุ่งผมหนังเสือจำมาพรมีปกตินอนเหนือพื้นปัสสะสุธาพอกอนถือขอเกี่ยวผลปึกษาพระาหารนมัสการเกลียวอักขีบูชาไฟตามประเพณีพนวดตาท่านจงไปสนทนากันแล้วและไต่าถามเห็นเธอจะไม่อามความคงจะบอกหมด ซึ่งหนทางไปเขาวงกดสิงขอนเขตเป็นที่สุธารมนิเวศกุดีดงแห่งกษัตริ์ทั้งสี่พระองค์นั้นแลเท่าทูชกผู้มีเชื้อพรามเมื่อได้สดับฟังคำพราณเจตบุตรชี้บอกหนทางโดยพิสดารเช่นนี้แล้วก็สิ้นเพื่อแคลงสงสัยกำหนดตะกนวิถีแนวทางวา่านารายเท่าทูชกก็จำไว้ตรหนักแน่ไม่แปรผันทุกสิ่งบอกสาคัญนั้นสิ้นสุด รางอัมรานายพราณเจตบุตรแล้วก็ทำเป็นปทักษิณเวียนขวาสามรอบโดยระบอบพรามประเพณีอันว่าพระอัจจุตฤศรีผู้บำเพ็ญพุทรส่งผนวดเป็นดาบทประพึกพมจันรทร์สถิตยังบรรณะสาราตำแหน่งใดเท่าสูชกก็ด้นดันเดินไปไม่หยุดยัง้งตั้งหน้าเฉพาะต่อมันคาวิถีวนารีประเทศอันนายพรานเจตบุตรนิครุษักชาต ให้โอวาดแก่ตนโดยในแสดงมาแล้วในหุนหลังราบเท่าบรรลุถึงบรรณาราอารัญญประเทศอันเป็นขอบเขตที่สถิตของอั จ, จุตารุติก็มีในกลางครั้งนั้นแลอาตมภาพรับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกจุลพลกันที่หกก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอส ม, มุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เธอรับฟังมหาพลกันที่เจ็ดตื่ต่อไป